เชษถาใช้ความคิดนิ่งๆเช่นเดียวกับ น, น้องสาวคนเล็กปล่อยหน้าที่สนทนาให้เป็นของอนุชานานอินและขยินสำหรับขยินเองนะมาบัดนี้มันก็ฉลาดขึ้นมากทีเดียวรู้จักซักโน่นถามนี่เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามไม่ได้โง่เซ่อเอาแต่โอหังลำพองเหมือนสมัยก่อนเพราะมันย่อมตระหนักดีว่าในด้านการนาทางแล้ว เว้นจากครูพรานนานอินซึ่งยกไว้สักคนหนึ่งแล้วมันจะต้องเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับพรานชดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น้อยพี่ใหญ่มีอะไรที่จะถามพวกนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับขณะที่ดื่มกาแฟหลังอาหารคุณชายอนุชาหันมาถามพี่ชายและน้องสาวอยู่ตลอดเวลาสลับฟังอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่าง เธอกับลุงอินและกับยินก็ได้แคะออกมาจากพวกนี้จนหมดนั่นนี่เท่าที่เราเท่าที่เขาจะให้เราได้ซึ่งก็ต้องรับว่าเราได้ข้อมูลมากที่สุดละในคณะของระพินสําหรับพี่ก็คงไม่มีคําถามอะไรแล้วมั้งว่าแต่น้อยเหอะอยากถามอะไรเพิ่มเติมมั้งประโยคหลังคุณชายเชิฐาหันมามองดูน้องสาวคนเล็กซึ่งเอามือเท้าคางมือดูเปลวไฟในกองอยู่เหมือนจะเข้าผวัง เมื่อถูกพี่ชายหันมาถามก็ตื่นจากความคิดคำหนึง่งน้อยก็คิดว่าหมดคำถามหรือนึกไม่ออกในตอนเนี้ว่าจะถามอะไรอีกมั่งนอกจากใจพี่กลางกับลุงอินช่วยสอบถามพวกนี้เกี่ยวกับเจ้าด้วนของน้อยเท่านั้นแหละลอนเออยางกังวลในอีกแง่หนึง่งนานอินเข้าใจดีหันไปส่งภาษากับพวกนั้นโดยเร็วโต้อตอบกันอยู่พักหนึ่ง ก็หันมาบอกนายหญิงว่าพวกนี้นะ่มันรู้จักไอ้ด่วนดีทั้งนั้นแหละนายหญิงและเข้าใจตามคำสั่งของนายรพินกันมานานแล้วว่าห้ามไม่ให้ใครไปยิงหรือทำอันตรายมันยกเว้นแต่ถ้ามันจะฆ่าใครก่อนแต่มันก็ไม่เคยฆ่าใครนอกจากนันทีก็จะเข้ามาหักพืชไร่ที่พวกนี้ปลูกไว้กินแล้วก็ไล่ขับพวกชาวป่าเล่นสนุกสนุก ตามภาษาความทะลึ่งของมันแต่พอไล่ทันก็ไม่เห็นมันทำอะไรอย่างมากก็ใช้งวงเขียเล่นโเบาแล้วมันก็ไปพวกตะเคียนทองกับพวกหัวเสือร้องนี่รู้จักมันดีแต่พีเศษมาแล้วไม่มีใครพบเห็นมันแถวๆนี้เลยทุกคนรู้ว่ามันเป็นช้างของนายรพินที่แกขอร้องไว้ไม่ให้ใครทำอะไรมันพวกชาวป่าทุกคนเชื่อฟังนายรพินมาตลอดในคาสั่งนี้ หญิงสาวพยักหน้าอย่างพอใจวันนี้ขณะที่เราเดินทางออกจากยอดสักดําเจ้าด้วนก็หายหน้าไปเลยจนกระทั่งเรามาถึงที่นี่ลองถามพวกเขาดูสิว่ามีใครได้วิแววของเจ้าด้วนวันนี้มั่งหรือเปล่าพวกที่นี่ไม่มีใครเห็นเจ้าด้วนวันนี้เลยครับแล้วขณะที่นายหญิงนอนหลับอยู่มันก็ไม่ได้โผล่เข้ามาแถวๆนี้เลยครับ ขยินเป็นผู้ตอบมาเป็นภาษาของมันเอาล่ะนอกจากกระพินแล้วฉันก็ขอสั่งกำชับไว้อีกคนนึงว่าใครพบเห็นเจ้าด้วนที่ไหนอย่าได้ยิงหรือทำอันตรายมันเป็นอันขาดคืนนี้มันอาจจะเข้ามาที่นี่ก็ได้หรือบางทีพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปมันอาจไปดักรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างที่มันเคยทำมาแล้วก็ได้ พวกตะเคียนทองและห้วยสือร้องรับปากกล่อนอานุชันหัวร้อฮือโธนึกว่าจะถามเรื่องอะไรดันถามถึงเจ้าด้วนน้อยนี่ก็มีอะไรแปลกๆอยู่เสมอนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างระพินกับเจ้าด้วนนะ่ะเธอห่วงใครมากกว่ากันดาลินมองหน้าพี่ชายกลางแล้วถอนใจเบาๆอย่างอ่อนใจไหนพี่กลางนี่ อะไรอะไรก็ดีสารพัดนะเสียอย่างเดียวเซนส์หยาบเหลือเกินไม่เคยจะยอมเข้าใจอะไรในความรู้สึกของน้อยเลยกระพินน่าไม่ต้องพูดถึงหรอกแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับศาสตร์ด้วยแต่เจ้าด้วนะ่ะมันเป็นสื่อกลางมันมีความผูกพันอยู่กับระพินและน้อยด้วยตลอดเวลามามันก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นตัวหนึ่งในคณะของเราที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือมาตลอด ระยะทางข้างหน้าต่อให้เราบุกไปถึงไหนน้อยก็มีความเชื่อมั่นว่ามันจะต้องติดตามเราไปทุกระยะและจะต้องมีส่วนช่วยเราเป็นอย่างมากใครอาจจะคิดว่ามันเป็นช้างเกเรตัวหนึง่งที่ไร้ความหมายแต่น้อยแน่ใจนะคะว่ามันคือเพื่อนที่ดีที่สุดไม่น้อยไปกว่าพวกเราที่มาด้วยกันนี่ทั้งหมดเลยแล้วถือว่ามันคือผู้ร่วมคณะของเราตัวหนึง่งเราเคยมีบุญคุณต่อมัน แล้วมันก็สนองตอบต่อบุญคุณของเราเสมอด้วยความรู้สึกที่เกือบจะเหมือนคนเพียงแต่มันพูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นแหละพี่ชายกลางโบกมือพูดมาโดยเร็วว่าเอาเถอะเอะไม่ขัดศรัทธาหรอกตามสบายรับรองให้ได้ว่าไม่มีใครคิดทำอันตรายอะไรเจ้าด่วนมันหรอกสบายใจได้แต่ตอนนี้ไม่รู้พอจะประคุณลูกชายของเธอหายหัวไปเสที่ไหนนะ่ะ มันไม่หายไปไหนหรอกแล้วจะไม่มีวันทิ้งพวกเราอย่างเด็ดขาดถึงจะไม่พบวันนี้คืนนี้ก็ต้องพบมันแน่ในหนทางข้างหน้าไม่ว่าจะทุรเข็นกันดานสักเพียงไหนหละ่ะนี่ถ้าเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นเชียวเหรอน้อยชยันถามฉนันเชื่อสิแล้วก็รู้ด้วยว่าพวกเราทุกคนรวมทั้งชาวป่าพวกนี้จะอ้าวว่าในนรกดำน่ะ สัตว์ใดๆก็ตามที่เคยใช้ชีวิตหากินอยู่ในเขตป่า น, นอกจะไม่บังอาจย่างกลายเข้าไปเลยแต่คอยดูสิดูน้ำใจของเจ้าด้วนก็แล้วกันมันจะต้องตามเราเข้าไปด้วยถ้ามันไม่ตายซะก่อนเพราะพวกไอช้างผีลงพวกนั้นนะมันรุมฆ่าแต่ว่าฉันก็มั่นใจนะว่าไอพวกนั้นก็ทำอะไรไอด้วนไม่ได้หรอกฉันฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยดูแลรักษามันไว้แล้วถึงตอนนี้ก็เชื่อว่ามัน ไม่ไปไหนไกลหรอกคงจะป้วนเปี้ยนดูแลใกล้ๆนี่แหละเพียงแต่ไม่อยากปรากฏตัวออกมาเท่านั้นเพราะเห็นว่าเราเข้ามาพักอยู่ในหมู่บ้านอันเป็นชมรมของมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจมันอยู่แล้วไม่มีใครในหมู่คณะจะสนใจโตเถียงกันหรอนอีกในเรื่องนี้เพราะรู้ดีว่าระหว่างดารินกับเจ้าด้วนช้างป่าสันดานประหลาดตัวนั้นมีจิตผูกพันต่อกันเป็นพิเศษ อันยากที่จะเข้าใจได้คราวนี้ก็มาถึงข้อวินิจฉัยหรือ ก, การตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับขโขลงช้างผีสิงและไอผีดิบมันตรายที่เริ่มเปิดฉากอารวาสขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านตะเคียนทองอย่างชนิดที่โบมเมียในบ้านตะเคียนทองเองก็ไม่รู้สาเหตุและลูกลามกลายเป็นศึกติดพันอยู่กับฝ่ายคณะของระพินที่สวนทางขึ้นมา จนกระทั่งขยายลามปามาถึงคณะของเชษฐาที่ติดตามมาเบื้องหลังด้วยโดยนำมาเปรียบเทียบระหว่างปูมเดินทางของทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ได้ความแน่ชัดแล้วว่ามันก่อกวนรังควานจองล้างจองผลานทั้งค ณ, ณะของรพินและคณะที่ติดตามหลังมาเรากับจะแบ่งกาลังไว้สาหรับโจมตีพร้อมกันทั้งสองด้านทีเดียวเพราะคานวณดูจากวันเวลาที่เกิดเหตุขึ้นของแต่ละฝ่าย มันลุวนเป็นเวลาใกล้เคียงกันเหลือเกินประเดี๋ยวไปดักข้างหน้าเล่นงานทางด้านรบพินประเดี๋ยวก็วกวกลับลงมาดักด้านของเชื้ทาทำราวก็จะแบ่งภาคได้ทั้งๆ ท, ที่ระยะการเดินทางของทั้งสองฝ่ายทิ้งช่วงห่างกันพอสมควรทีเดียวพวกเรานะ่ะมนุษย์ขาสั้นๆเดินกันทั้งวันช่างมันแค่เดินสามสี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละเล่ยผีดิบพวกนั้น มันก็อาศัยมากระช้างบ้างหรือซุ่มแอบอยู่ตามที่ต่างๆบ้างไมงป่าไปหมดมันถึงได้ราวีทั้งด้านพรานใหญ่กับด้านของเราได้ทุกเวลาที่มันได้โอกาสหนานอินกล่าวขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราพอจะฟังได้เหมือนกันนะสำหรับครูพรานที่ฟังคิดเห็นมาอย่างนี้และทำไมมันถึงได้เริ่มต้นอรารวาสขึ้นที่ตะเคียนทองเป็นจุดแรกวะ ชายันถามเปรยกับทุกคนในหมู่พวกของตนอนุชาไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาถนัดเฉพาะแผนเดินทางและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เชษฐาดารินและชายันล้วนอยู่ในประเภทนักคิดคน้นไตรตรองอ่านเหตุการณ์นี่มันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมในที่สุด ราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะผู้ปรีชาชานก็เริ่มขึ้นอย่างระมัดระวังมันน่าคิดนะมันไตรหวนกลับมาในคราวนี้มีเจตนาโดยตรงที่จะประกาศศึกกรพินซึ่งมันถือเป็นคู่แค้นคู่พยาบาทอยู่จึงสร้างสถานการณ์ให้เป็นที่เลื่องลือว่ามีถงช้างของช้างงาดำเข้ามาอาราวาส ทำลายหมู่บ้านตะเคียนทองเป็นการวางแผนที่จะให้ข่าวเนี่ยวแววไปถึงระพินเพราะจะยังไงใช่พวกชาวป่าทุกแห่งในย่านนี้ถ้ามีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นที่เหลือความสามารถจะจัดการลงไปได้เอง mm. ก็จะต้องไปแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการเรียกท้ารพินให้เดินทางเข้ามาสู่กับดักที่รอคอยอยู่ของมันดังเราจะเห็นได้ว่า พวกตะเขียนทองก็ได้ส่งอาสาสมัครสามคนคืออูทะพระโต้แล้วก็เอิงให้ใบหน้าลงไปพบประพินตามที่เรารู้จักกันแล้วที่นี้ก็เป็นเวลาประจุบเหมาะกับระพินเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องนำทางอเมริกันพวกนั้นสวนทางมาพอดีจึงแทนที่จะต้องตามไปจนถึงหนองน้าแห้งก็ได้พบกันครึ่งทางเลยทุกคนเงียบกันไปชั่วขณะ ชยันมองหน้าดารินเหมือนจะคว้ามความเห็นบ้างดารินก็พยักหน้านิดนึงจะผิดถูกแน่นอนยังไงมันก็ยากจะมินิฉัยนะแต่คำพูดของพี่ใหญ่ก็มีค้าวฉันก็ว่าน่าจะเป็นอย่างที่เชษฐาว่านี่แหละหรือว่ายังไงล่ะกลางจะคิดยังไงชัยยันกล่าวแผ่วเบา อดีตรานชดยิ้มแค่นตอบตามตรงว่าสำหรับฉันนไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้หรอกเพราะไม่เคยรู้ประวัติของมันตรัยหรือนิทานะนะครมาก่อนนอกจากคําบอกเล่าที่นํามาเล่าให้ฟังภายหลังเท่านั้นแกน้อยพี่ใหญ่แล้วก็ขยินล้วนเคยผจญกมันมาก่อนแล้วในยุคก่อนนั้นก็น่าจะวิเคราะห์ได้ดีกว่า แต่ก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้ามันอาฆาตรพินทำไมทำไมมันถึงได้ไม่จองเล่นไม่จ้องเล่นงานเขาอยู่ฝ่ายเดียวดันมาเล่นงานฝ่ายเราด้วยทำไมวะดารินขยับปากจะพโ่้งอะไรออกไปแต่แล้วก็คิดขึ้นมาได้ระงับคำพูดนั้นไว้ซะเปลี่ยนประโยคใหม่ซะว่ามันก็ไม่ได้พยาบาทระพินเพียงคนเดียวหรอกพี่กลาง ถึงน้อยใช้ยันแล้วก็ขยินก็เคยอยู่ในคณะที่ร่วมกันทําลายล้างเป็นศัตรูกับมันมาก่อนจนมันพินาศไปแล้วครั้งนั้นโดยเฉพาะตัวน้อยเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารรบพินหรอกถ้าจะพูดถึงความแค้นพยาบาทที่มันมีอยู่เพราะขณะที่เราตะลุมบอลกันในปราสาทพันธุมวดีน้อยเองอะ่ะเป็นคนที่วิ่งเข้าไปกระชากกรีดอาถรรพ์ของมันที่ปักตรึงอยู่กับคำภีมายาวิน ใต้แทนบรรทมของพันธุมวบดีทำให้อาคมของมันเสื่อมลงแล้วพวกมันต้องพ่ายแพ้ไปในครั้งนั้นอนุชาอัดควันบุรีลึกแล้วครางในลำคอพร้อมกระหันไปทางพรานเท่าคู่ชีพกล่าวเบาๆว่านี่ลุงตอนที่พวกเขาตามเรามาเนี่ย เขาพบกับความมหัศจรรย์ลี้ลับต่างๆในนรกดำมากมายหรือเกินนะแต่เราสองคนแทบจะไม่พบอะไรเลยนอกจากความเปรี้ยวความหิวความลำบากในการเทาในการเดินทางเท่านั้นนะลุงนะไอ้ของยังงี้มันก็ไม่แน่หรอกนายชดมันสุดตะเวนเก่ากรรมเก่าของใครนรกดำกับเส้นทางไปเทือกศิวะนะ่ะมันลึกลับ เดินก็ไปสักสิบพวกแต่ละพวกก็อาจพบไปสิบแบบสิบชนิดไม่เหมือนกันเลยก็ว่าได้อยากจะนายใหญ่เธอพรุ่งนี้เราก็ออกเดินทางแล้วจะให้นานอินกับพรานชดุดนำทางยังไงก็บอกเสล่วงหน้าตอนนี้ก็ได้ครูพรานหันเข้าหาการวางแผนเตรียมสำหรับวันรุ่งขึ้นในทันทีเชษฐาใช้ความคิดหนักมาก เมื่อเจอเข้ากการขอความเห็นชันนีอะแล้วสองคนเราคิดยังไงปรึกษากันแล้วยังผมคิดว่าเราควรจะอ่านใจระพินแล้วออกก้าวสกัดนะครับจะไม่แกะรอยทับเส้นทางอย่างเดิมอีกละเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันอีกกันทักทีอะอนุชาตอบอย่างตัดสินใจเด็ดขาด แล้วเธอคิดว่าเธอจะอ่านใจหรือเดาใจระพินออกเหรอกลางน้องชายนักผจญภัยตัวฉกัดในอดีตยิ้มนิดหนึ่งยักไก่อย่างมั่นใจในตนเองมันก็ต้องเสี่ยงกันล้ครับพี่ใหญ่ผมมีลุงอินกับขยินเป็นที่ปรึกษาสำคัญในเรื่องนี้แต่ถ้าพลาดก็แปลว่าแยกเส้นเดินทางกันไปคนละทิศเลยนะชยันติง ก็บอกแล้วไงว่ามันต้องเสี่ยงฉันตั้งใจมาแต่แรกแล้วในระยะต้นๆว่าเราเดินแกะทับรอยเขาเพื่อสแสวงหาข่าวจนกว่าจะถึงสถานีปลายทางอันหมายถึงล่วงเข้าสู่เส้นทางดำมืดแล้วต่อจากนั้นก็จะใช้วิธีตามกันด้วยไหวพริบปฏิพาน์และทุกสิ่งทุกอย่างไหวกระโชคชะตาและจะมามัวแกะรอยอยู่ทุกระยะนะ่ะมันไม่ไหวหรอกตามไม่ทันแน่ๆและมันอยู่ที่ดวงด้วย ถ้ารพินจะรอดตายในครั้งนี้โดยเราเอาตัวกลับมาได้เราก็จะต้องสกัดเขาพบแต่ถ้าใช้ความสามารถขีดสุดแล้วยังไม่พบก็เอว่งนี่ก็พูดกันตรงๆอย่างนี้แหละนะลุงอีละ่ะมีหตดผลอะไรที่ดีกว่าความบ้าระห่ำอย่างพานชดมั่งไหมดารินถามเสียงเครือไปทางครูพานแกยิ้มขึ้นขึ้น หนายหญิงเหตุผลของนายอินก็มีเหมือนกันคือในป่าแล้วถ้าใครคิดจะแกะรอยนายระพินให้ทันน่ะคนนั้นก็โง่เพราะไม่มีวันตามแกทันหรอกนอกจากจะใช้วิธีดักสกัดอย่างพรานชดว่าหรืออีกอย่างก็ต้องภาวนาสาดแช่งให้ตัวนายระพินเองหรือใครในพักพวกเขาไปบาเดเจ็บหยุดการเดินทาง ทำไม่เสียเวลาอยู่นานๆเราถึงจะตามรอยได้ทันถ้างั้นก็ขอทีอย่าภาวนาสาบแช่งให้รับพินหรือคนใดคนหนึ่งใ น, นคณะของเขาต้องเจ็บป่วยขึ้นเลยนายหญิงพูดแผ่วๆเอาละ่ะในชั้นแรกนี่เราจะรับหลักการของกลางและลุงอินก่อนแต่อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามภูมิประเทศเหตุการณ์หรือสิ่งเฉพาะหน้าที่มันแทรกแซงเข้ามา ที่นีมีเรื่องอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการเดินทางของเราและจ้องจะเอาชีวิตพวกเราอยู่ในขณะนี้ด้วยก็คือมันไตรและมันจะคอยเป็นมารผจนอยู่ตลอดเวลาชนิดถ้าพลาดไม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งคณะก็ตายหมดเราจะหาทางแก้ไขป้องกันยังไงก็ไม่ยากนี่พบที่ไหนก็ซัดกันที่นั่น่ะอนุชาพูดยางไม่หวน หัวเราะเบาๆไปพลางแต่ผมก็ปรึกษากับลุงอินและขยินไว้แล้วนะว่าถ้าเป็นไปได้ในระหว่างการก้าวสกัดระพินไปพลางนะ่ะเราก็จะพยายามค้นหาซากของนิทธานาครให้พบอีกสักครั้งถ้าเราพบเมื่อไหร่หมายถึงพบสุสานผีดิบของพวกมันนะ่ะเราก็จะหาทางทำลายล้างมันซะให้หมดกังวลไปข้อหนึ่งก็ยังไม่แน่เหมือนกันผมคิดว่าในขณะนี้ แม้ทางด้านรบพินเองก็อาจจะพยายามบ่ายหน้าเข้าหานิ克านครเช่นเดียวกับเราเหมือนกันเพราะเขาต้องรู้ดีว่าหากยังปล่อยให้มันไตรมีฤทธิ์เดชอย่างนี้การเดินทางของเขาต้องเต็มไปด้วยอุปสรรคถ้าเขามุ่งนิ克านครเดี๋ยวเราก็มุ่งไปที่นั่นบางทีนะครับบางทีเราอาจได้พบกันที่จุดนั้นก็ได้ชยันเชิดาชยันนิ่งคิด แต่ดารินเพิ่งจะมีความคิดเห็นตรงกับพี่ชายกลางเป็นครั้งแรกพี่ใหญ่คะน้อยก็คิดว่าเราควรจะทําอย่างที่พี่กลางพูดเหมือนกันนะคะเราต้องทําลายมันไตรให้ได้ซะก่อนเป็นด่านแรกทีเดียวอ่าแล้วเธอคิดว่าเธอพอจะจําทางได้ไหมล่ะน้อยพี่ชายกลางถามมาอย่างกระตือรือร้น <c oughs> ถ้าพี่กลางหรือลุงอินนําเฉียดเข้าไปใกล้เคียงบริเวณ ลักษณะของป่าทุ่งและทิวขุนเขาอาจจะทาให้น้อยจำได้ค่ะแต่ถ้าจะถามว่าออกจากคั้วเสือรอ้องจะให้มุ่งไปทางไหนน้อยก็นำไม่ถูกเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะลองกันดูอนุชาพูดง่ายๆแล้วเหลือบดูนาฬิกาข้อมือกล่าวต่อมาว่าทั้งนั้นก็คิดว่าเราควรจะพักนอนเอาแรงกันไว้ดีกว่านะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เราจะเดินกันหนักกว่าที่แล้วมาหลายเท่าหรือใครยังอยากจะคุยอะไรกันอีกก็เชิญแต่สําหรับชั้นนะขอนอนก่อนลนะว่าแล้วอดีตพรานชดก็คลานเข้าไปประจําที่นอนของเขาเองตัวลงอย่างง่ายๆโดยไม่สนใจกับอะไรอีกตามวิสัยของนักปะชนภัยที่กล้านต่อเหตุการณ์ไม่วิตกวิจารณ์ต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงชยันสกิตดาริน แล้วเอียงหน้าเข้ามากระซิบว่ายัางไงพี่ชายคนนั้นของเธอมากเข้าเหมือนกระพินไพรวันไหมราชาสกุลสาวเบะปากนิดนึงก็คงพยายามจะทำให้เหมือนมั้งแต่บอกตรงๆผิดกันอย่างกระฟ้ากับดินระพินน่ะดูหยาบกระด้างก้าวราวในผิวนอกก็จริงแต่เนื้อในของเขานอ่อนโยนโรแมนติกที่สุด รายนี่น่ะมีแต่ความช่วยไม่มีเซนติเมนตั้คอรเรคเตอร์เลยยังงี้ยังไงล่ะถึงจะได้หาผู้หญิงดีๆคนไหนรักจริงไม่ได้สักคนทั้งๆ ท, ท, ที่รูปร่างหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีเชิดาหัวเราะเบาๆ บ, บอกมาว่าเฮ้ยยันแอบนินทาพี่เขาดิอย่างน้อยเขาก็ยังอุดสามาเป็นมักคุเทศนำทางเพื่อตามรบพินให้กันน้อยนะ ดาริยิ้มเจินเจินก็ เ, เพราะเรื่องนี้นะสิค่ะจะมันไส้ขมเขม็นหน้าสักแค่ไหนน้อยก็จำต้องทนเอาละค่ะตอนนี้เขาจะให้เรานอนเราก็นอนก็ขเขาเป็นมรคุเทศหรือเป็นพรานใหญ่ของเราเต็มภาคภูมิทีเดียวแล้วนี่ต้องปล่อยเขาแสดงเต็มที่ค่ะทุกคนเตรียมเข้านอนประจำที่ของตนเป็นครั้งแรกที่เชฐษฐาและชยัน ขอยาเม็ดนอนหลับจากน้องสาวเล็กอันเป็นแพทย์ประจำคณะเพราะทั้งสองต้องการหลับให้สนิทที่สุดเอากำลังไว้วันพรุ่งนี้ประกอบกันแน่ใจว่าการพักนอนอยู่ยังบริเวณของหมู่บ้านห้วยเสือร้องจัดได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดคงไม่มีอันตรายใดๆจู่โจมเข้ามากลางดึกแน่ๆซึ่งดารินก็จับให้ตามประสงค์มันยังอยู่ในเกณฑ์หัวค่า แม้ว่าบรรยากาศของหมู่บ้านกลางดงลึกจะแลดูเปรี่ยวดึกซักขนาดไหนก็ตามประกอบกะที่ตนเองก็ได้นอนพักผ่อนมามากพอสมควรแล้วเมื่อตอนบ่ายดารินจึงยังไม่รู้สึกง่วงนอนใดๆทั้งสิ้นหลอนถือไรเฟิลประจำตัวและไฟฉายออกเดินตรวจ ด, ดูความเรียบร้อยของบริเวณแคมป์ที่พักอันมีพวกลูกหาบนอนพักอยู่เป็นกลุ่ม บางก็ยังนั่งสูบุรีคุยกันเบาๆริมกองไฟหญิงสาวเดินเยี่ยมสอบถามอาการของคนร่วมตายอันแท้ที่จริงก็เป็นลูกบ้านนองน้ําแห้งของระพินเหล่านั้นทั่วหน้าทุกคนใครมีอาการเจ็บป่วยตะครั่นตะครอยยังไงก็ตรวจอาการแจ ก, กยาสั่งให้กินสกัดไข้ป้องกันไว้ด้วยน้ําใจอันอารีห่วงใยทุกคนให้ความรักความเคารพอย่างเต็มที่ ชนิดพร้อมที่จะไปตายด้วยได้ในทุกขนทุกแห่งอย่างชนิดไม่มีใครคิดทอดถอยหลังโดยไม่จำเป็นจะต้องมาย้ำให้คำมั่นสัญญาใดๆอีกทั้งสิ่งแค่มองตากันก็รู้ในชวนอันเป็นหัวหน้าลูกหาบในชุดนี้ทำหน้าที่เดินตามหลังโดยช่วยถือหีเวชภัณฑ์ขนาดเล็กให้หล่อนและในหมู่ของลูกหาบ อันค่อยๆตีวงล้อมนายหญิงเข้ามานั้นดารินก็สุดตัวลงนั่งเสวนาปราัยอยู่กับพวกนั้นทุกคนรู้จักกระหล่อนดีเสียกว่าพรานชดหรือกุญชายอนุชาผู้เป็นผู้นำทางในครั้งนี้เสียอีกพราะตนหนักดีแก่ใจว่านายหญิงคนนี้คือใครเกี่ยวพันแน่นแฟ้นยังไงกับระพิน์ไครวันอันเป็นเจ้านายของพวกเขาโดยตรงนอกจากกิติศัพท์ในด้านบุกเทอกพระศิวะ ผ่านมาได้สำเร็จแล้วตลอดระยะทางที่เดินมาด้วยกันทุกคนก็ล้วนเห็นฝีมือและน้ำใจของนายหญิงคนนี้เป็นอย่างดีว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าพรานอาชีพมือชั้นหนึ่งเลยแม้จะดูรูปโฉมภายนอกว่าเป็นสุภาพสตรีค่อนข้างจะบบกบางสำอางโฉมสักเพียงไรก็ตามทุกคนรู้ดีแล้วใช่ไหมดารินกล่าวกับคนเหล่านั้นอย่างอ่อนโยนรักสนิท ตั้งแต่พรุ่ง น, นี้เป็นต้นไปเราเริ่มหนักกันละนะลีลยวก็จะหนักขึ้นทุกทีเมื่อลึกเข้าไปในเขตป่าดำนะ่ะลูกบ้านหนองน้ำแห้งของระพินฉลาดกว่าพวกกระเหลียงบ้านป่านักบางคนอ่านเรียนหนังสือถึงขนาดอ่านออกเขียนได้และอยู่ในเขตที่ความเจริญแผ่ไปถึงอย่างน้อยก็รู้จักฟังวิทยุกระจายเสียงต่างคนต่างยิ้มยิ้มและมองจับมาที่นายหญิงเป็นตาเดียว บางคนอาจจะคิดไปไกลถึงขนาดว่านายหญิงก็คือพัญญาของนายราพินซะด้วยซ้าเพราะเคยเห็นมาพักแรมอยู่ด้วยกันที่หนองน้ำแห้งอันถือว่าแท้ที่จริงก็คือหล่อนน่ะเป็นเจ้านายโดยตรงอีกคนหนึ่งนายหญิงกับพวกเจ้านายทั้งหลายไปถึงไหนพวกเราก็ไปถึงที่นั่นละ่ะนายชวนตอบแทนให้แกทุกคนนี่ ยหยถือว่าเป็นการบังคับนะก่อนจะมาถึงห้วยสือร้องนี่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเราผจญอยู่กับอะไรบ้างทุกคนมีสิทธิ์ตายเท่าๆกันทั้งนั้นถ้าใครคิดเปลี่ยนใจห่วงหลังทางบ้านก็รีบบอกมาซะในคืนนี้เลยฉันยินดีจะอนุญาตให้กลับได้โดยจะขอกรเรียงจากห้วยสือรองที่นี่ไปแทนคนที่คิดจะกลับมีอาการสายหัวและปฏิเสธกันอยู่พึมพำพึม พ, มพม และลูกหาบเอาวุโสอีกคนหนึ่งรองจากหัวหน้าลูกหาบก็พูดเสียงเนิรเนิแต่ก็แสดงความจริงใจอันแนว่วแน่ว่ะนายหญิงไม่มีใครคิดถอยหลังกลับหรอกและไม่เพียงแค่นายหญิงหรือพวกเจ้านายทั้งหลายเท่านั้นที่เป็นห่วงนายรพินพวกเราก็เป็นห่วงแกที่สุดตอนที่แกพาพวกฝรั่งไปพวกเราก็ภาวนาอยู่ ว่าเมื่อไหร่นายหญิงจะรู้และออกตามพวกเราคอยดูอยู่เหมือนกันว่านายหญิงถ้ารู้ความจริงจะออกตามนายระผินไหมและพวกเราก็ดีใจที่นายหญิงออกตามจริงๆในเวลาไม่ช้าจนเกินไปนักดารินยิ้มกับคนเหล่านั้นสูดลมหายใจลึกๆอย่างชื่นใจต่อความพักดีฉันขอสัญญานะ ว่าฉันจะพยายามออกตัวนายรพินกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะลำบากยากแค้นความตายมาขวางหน้ายังไงวัตถุประสงค์ของพวกเรานะตรงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนของพวกเราจงมาร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัดฟันต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคชีวิตของพวกเธอทั้งสิบคนที่มานี่แต่และชีวิตอยาถือว่าเป็นเพียงลูกหาบ ทุกชีวิตมีความสําคัญเสมอเท่าเทียมกับพวกเราทั้งสิ้นฉันจะไม่ยอมทอดทิ้งเมือเห็นว่าชีวิตของใครไร้ค่าเลยใครเจ็บปาดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใครเกิดปัญหาอะไรก็ขอให้บอกฉันทันทีถ้าตายเราจะตายด้วยกันถ้ารอดเราก็ต้องรอดด้วยกันแล้วขอให้ทุกคนพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าเๆกับที่คอยช่วยกันไว้ด้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดารินให้โอวาดเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก่อนที่คนเหล่านั้นจะล่วงเข้าสู่ดินแดนมรณะนะทุกคนเงียบกริบฟังแล้วจ้องมาที่หลอนยังตั้งอกตั้งใจฉันรู้ดีว่าทั้งสิบคนที่คัดมานี่ล้วนแต่เป็นพรานมือดีของหมู่บ้านหนองน้ําแห้งทั้งสิ้นและแต่ละคนก็ล้วนเป็นญาติมิตร เป็นพี่เป็นน้องกับพวกที่ระพินเลือกเอาไปก่อนแล้วในจำนวนสิบคนเท่ากันใช่ไหมใช่ในายหญิงพวกที่นายระพินเลือกเอาไปก่อนสิบคนนะ่ะเป็นเพื่อนเป็นญาติของพวกเราทั้งนั้นเราเพิ่งจะมารู้เอาที่นี่ว่าตายไปแล้วสองคนที่ปาไัยคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยสำเนียงซึมๆึเพราะอาจจะเป็นญาติหรือมิฉะนั้นก็ เพื่อนรักของสองคนที่ตายไปในชุดของระพินฉันเสียใจด้วยจริงๆนะสำหรับสองคนที่ถึงแก่ชีวิตนั่นจนระพินต้องเอาอูฐและพะโต้ไปแทนแต่สำหรับด้านเราโชคดีกว่ายังไม่มีใครถึงบาดเจ็บมากมายหรือถึงแก่ชีวิตเลยจนกระทั่งเราเดินทางมาถึงค้วยเสือรองนี่ฉันขอพูดในที่นี้ว่าไม่เพียงแต่ระพินเท่านั้น ที่เราจะไปตามกลับแต่หมายถึงคนของเราพินอีกแปดคนอันล้วนแล้วแต่เป็นคนของหนองน้ําแห้งเป็นญาติมิตรกับพวกเราทั้งนั้นทั้งสิบคนพึมพำพึมพำกันอีกแล้วพยักหน้ารับถูกแล้วหนายหญิงเราจะไปตามไอ้พวกนั้นด้วยมันนะเป็นเพื่อนเป็นญาติของเราทั้งนั้น มันเป็นหลักจิตวิทยาที่ดีมากสำหรับดารินที่เข้ามาสังสรรค์เสวนากับพวกลูกหาบเหล่านี้ในคืนนั้นเพราะนอกจากจะเป็นการย่างหางเสียงแล้วยังเป็นการปลูกฝังโน้มน้าวจิตใจให้คนทั้งสิทธ์หมดสิ้นอาการลังเลท้อถอยหรือคิดกลิงเกรงกับพยันตรายข้างหน้าไปในตัวด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องสาคัญมากสาหรับเส้นทางมรรตยูไม่รู้อนาคต จะเริ่มต้นอย่างจริงจังในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าแม้ว่าก่อนจะออกเดินทางจากหนองน้ำแห้งจะมีการประถมนิเทศมา ก, ก่อนบ้างแล้วก็ตามคืนนี้ก็จะเป็นการอบรมยังใจกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่ชายของหล่อนทั้งสองคนอาจจะมองข้ามซะในเรื่องนี้แต่ดารินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะก่อนจะถึงห้วยเสือร้องพวกลูกหาบทุกคน ก็เผชิญหน้ากับอันตรายมาพอดูแล้วอาจมีบางคนใจไม่ถึงคิดอยากจะกลับหลังหันก็ได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครคิดเช่นนั้นเลยหล่อนจำคนเหล่านี้ได้ส่วนหน้าส่วนมากก็ล้วนเป็นลูกหาบคณะเก่าสมัยที่ออกเดินทางกันมาในคราวแรกและถูกสั่งให้เดินทางกลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านหล่มช้างของขยิ่นทางสิน้นโดยในคราวนั้น พัดเอาไปเฉพาะพรานคู่ใจของระพินสี่คนคือบุญคำจันเกิดแล้วก็เซยเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะขอร้องพวกเราก็คือดารินกล่าวช้าๆต่อไปอย่างหนักแน่นจริงใจในน้ำเสียงแต่ก็กอบไปด้วยความเมตตาเหมือนเดิมเกี่ยวกับพรานชดหรือพี่ชายกลางของฉัน่ะ ทุกคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับเขานักเขาเป็นคนที่เฉียบขาดผงผางแล้วก็ดูว่าไม่ค่อยจะสนใจกับใครนิสัยเขาเป็นอย่งงางนั้นเองขอให้ทุกคนอย่าได้คิดเกลียดชังเขาอย่างน้อยก็ยังมีชั้นและในายใหญ่อยู่อีกถึงสองคนที่สามารถจะทำความเข้าใจรู้ซึ้งถึงจิตใจของพวกเธอทั้งหมดได้พวกนั้นนิ่งเงียบบางคนยิ้มจิตจืดแต่ไม่มีปฏิกิริยาเช่นไร นายชวนซึ่งเป็นหัวหน้าจึงเอ่ยขึ้นว่านายหญิงครับเรื่องนั้นนะ่ะนายหญิงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถึงพวกเราไม่สนิทกับพรานชดแต่เราก็เคารพในความสามารถในน้ำใจของเขาที่มาในครั้งนี้ด้วยไม่เสียแรงที่นายรพินยอมนำทางไปตามตัวในครั้งนั้นพรานชดจะดุด่าว่ากล่าวอะไรพวกเราพวกเราก็ไม่ถือสาหรอกครับนายหญิง ดีมากจะดีมากอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นแก่ชั้นก็แล้วกันนะแล้วหน้าที่นี้ชันขอถามพวกเราทุกคนเลยขอให้บอกตามตรงไม่ต้องเกรงใจพวกเราที่มาด้วยกันทั้งสิบคนนี่มีความเชื่อถือไว้วางใจฝ่ายของฉั้นเพียงไหนที่บังอาจมาตามรบพินในครั้งนี้นหญิงพวกเราก็คิดมาเหมือนกันในครั้งแรกๆน่ะ หัวหน้าลูกหาปก็คนจริงเหมือนกันพูดโพลงออกมาตามตรงก็คิดว่าคงจะไปตายกันใช้หมดนั่นแหละที่เรายอมมาด้วยก็เพราะเราห่วงนายรพินไม่น้อยไปกว่าพวกของนายหญิงแต่เมื่อเราได้ลุงอินเข้ามาช่วยอีกคนได้ขยินมาจากลมช้างพรานชดนะ่ะแม้เรายังไม่ได้เห็นฝีมือชัดนะเราก็รู้ว่าเขามีมือเขาก็มือหนึ่งเหมือนกันสําหรับนายหญิง ในายใหญ่แล้วก็นายทหารชัยยันน่ะก็ล้วนแต่ผ่านเทือกศิวะมาแล้วทั้งสิน้นเราก็แน่ใจว่าเราได้ผู้นำที่ดีที่สุดแล้วในการไปตามนายระพินครั้งนี้พวกเราทั้งหมดสิบหกคนพวกนายรพินทั้งหมดยี่สิบคนตามกันสุดล่าฟ้าเขียวถึงปาหิมะพานเลยนายหญิงจะนรกหรือสวรรค์ก็ได้ทั้งนั้นไม่ยานลก ดาริญยิ้มออกมาอีกครั้งส่งมือไปให้พวกนั้นจับทีละคนเขย่าแล้วก็บีบแน่นเป็นรายตัวฉันจะไม่ลืมพวกเราทุกคนเลยไม่ลืมน้องหนองน้ําแห้งของเธอด้วยถ้าเราตามตัวรพินกลับมาตามที่ตั้งใจไว้ฉันจะทําให้หนองน้ําอันกันดานของพวกเราเป็นแหล่งที่จเจริญที่สุดแห่งหนึง่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ และทุกคนที่นั่นจะมีชีวิตอย่างสุขสบายที่สุดจะมีโรงเรียนจะมีโรงพยาบาลจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเช่นในเมืองเขามีกันฉันบรรดาลขึ้นได้เชื่อไหมทั้งหมดแสดงความปีติยินดีเราเชื่อท่านนายหญิงจะทำเสียอย่างนายหญิงต้องทาให้ได้เพราะนายหญิงน่ะเป็นเศรษฐีของเศรษฐีมีเงินล้นเหลือ แต่นายหญิงให้เรารู้ร่วมหน้าซะก่อนดีกว่าถ้าตามกันพบกลางทางระหว่างเราสองฝ่ายนี่จะทำยังไงไอ้พวกฝรั่งมันคงไม่ยอมไม่นายระพินกลับแน่แน่จนกว่ามันจะเสร็จการเสร็จงานของมันประโยคหลังเป็นคำถามที่ฉลาดที่สุดของหัวหน้าลูกหากซึ่งหล่อนเองก็ยังไม่เคยคิดไว้ก่อนเลยดารินนิ่งอึ้งไปครู่ควักบุรีออกมาจุดสูบ อัดควันลึกอืมนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะแล้วเราก็ได้มองข้ามไม่ได้วางแผนอะไรไว้ก่อนเลยหากเราตามพบประจันหน้ากันเราจะทำยังไงถ้าฝรั่งพวกนั้นมันไม่ยอมให้ระพินกลับดารินพึงพรรมชะงักนิ่งไปชั่วครู่แลไปยังทุกคน ข้ขอความหินของพวกเธอบ้างจใจพวกเราทำไงดีก็แย่งตัวกลับมาเลยสินายหญิงถ้าฝรั่งมันไม่ยอมก็รบกันยิ่งทีง่ไงหมดกลางปานั่นแหละพวกนายหญิงก็มีปืนสงครามมาด้วยจะไปกลัวอะไรมันหลายคนพโงออกมาเป็นเสียงเดียวกันแม้แต่หัวหน้าของพวกนั้นหญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่น ความจริงทางฝ่ายฉันก็เตรียมพร้อมมาแล้วล่ะแต่เราไม่อยากจะให้เสียเลือดเนื้อชีวิตกันเลยพูดง่ายๆก็คือไม่อยากฆ่าคนน่ะแต่มันก็อาจจะฆ่าเรานาะนายหญิงก็ถ้าพิสูจน์รือรู้แน่ชัดอย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นเราก็ต้องทำได้ทุกอย่างแหละนายหญิงขอชวนถามนายหญิงอะไรสักคำเถอะนะ ไอ้เรื่องรบกันนะเราไม่กลัวหรอกแต่ถ้าไหนว่าไปสิอะไรละ่ะคือถ้าเสียงหัวหน้าลูกหาบอ้อมแอมอ้อมแอมหลบตาหล่อนก็ท้านนายรพินไม่ยอมกลับโดยจะขอไปทำงานให้สำเร็จซัก่อนละ่นะนายหญิงก็รู้นิดใสานายรพินดีอยู่แล้วนี่แกเป็นคนมีสั์จาก ลุงรับปากกับใครแล้วก็จะไม่เสียคำพูดล่ะเรานิดาริงอึ้งไปนานนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หล่อนไม่เคยคิดมาก่อนในที่สุดก็ฝืนยิ้มตอบเสียงแผ่วเบาว่าถ้าตามเขาพบขอร้องให้เขากลับก็แล้วแต่เขายังไม่ยอมกลับฉันกับพวกเราทั้งหมดจะเป็นฝ่ายกลับเอง จะปล่อยเขาไปตามปรารถนาแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดของฉันเองที่ตามเข้ามาก็ทาถ้านายรพินจะขอให้พวกของนายหญิงร่วมทางไปด้วยละ่ะไม่ฉันไม่ไปกับพวกเขาหรอกทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเขากับฉันถือว่าหมดสิ้นกันเพียงเท่านั้นถ้าขอให้กลับแล้วไม่กลับกล่าวเพียงแค่นั้น ราชาสกุลสาวก็ผุดลุกขึ้นยืนหันหน้าออกสู่ป่ามืดซ่อนน้ำตายืนกายสั่นอยู่ขณะนั้นเองก็มีเสียงห้าวดังขึ้นมาว่าหไหนชวนเห็นเงี ย, งยบๆขรึมๆเราในฉลาดมากนะฉลาดที่ถามนายหญิงแบบนี้เนะ่ยจำได้ชัดเจนว่านั่นคือเสียงของอนุชาพี่ชายกลางหฮบยานชด แล้วก็มีเสียงก้าวเหยียบกรดเล็กๆออกจากพื้นหลังโขดหินใหญ่ที่ทั้งกลุ่มนั่งผิงไฟกันอยู่อ่ะฉันจะบอกให้เองสําหรับคําถามข้อนี้ถ้าพบกันกลางทางขอร้องให้ระพินกลับลนะเขายัางไม่กลับฉันจะยิงเขาทิ้งซะด้วยมือฉันแล้วจะยิงน้องสาวคนนี้ของฉันด้วยให้เขาตายไปด้วยกันทั้งคู่เลยพวกลูกหาบทุก คนตะลึงแล้วเงียบกริบลงทันใดดารินปิดหน้าร้องไห้ออกมาเบาๆต่อมาก็รู้สึกว่ามีวงแขนแข็งแรงมาโอบไหล่ไว้ดารินเซออื่นจนตัวโยนพูดทางร้องไห้จัก ใ, ใช่แล้วคะ่ะพี่กลางถ้าพี่กลางยิงดาพินพี่กลางก็ควรที่จะยิงน้อยด้วยข้าที่เส อ, เ อ, อตามเข้ามา พร้อมต้องพาเอาพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วคนอื่นให้ต้องมาพลอยเดือดร้อนด้วยหากกรณีที่นายชวนตั้งเป็นคำถามขึ้นเกิดขึ้นจริงน้อยขอตายดีกว่าค่ะแต่น้อยจะบังระพินไว้ไม่ถูกลูกปืนอ้าวถ้าบังก็แปลว่าทะลุพวงกันทั้งสองคนเลยไงพี่ชายกลางซึ่งครั้งแรกเหมือนจะหลับไปแล้วแต่ย่องตามมาแอบฟังเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ กล่าวขึ้นเรียบเรียบอบกอดน้องสาวแน่นไว้เช่นนั้นแล้วประคองพาเดินออกไปยังบริเวณที่โล่งกลางความมืดของราตรีหนะักห้วยเสือร้องเบื้องหน้าคือราว์ไพร์พอห่างออกมาได้เล็กน้อยดารินก็หันกลับมาซบหน้าลงกับอกของพี่ชายกลางร้องไห้เสียงดัง <c oughs> ตกลงค่ะพี่กลางน้อยต้องยิง ที่กลางต้องยิงน้อยจริงๆนะคะถ้ามันเกิดกรณีอย่างนั้นขึ้นน้อยน้อยไม่อยู่เป็นผู้เป็นคนอีกแล้วแต่แต่ขออย่าทำระพินอย่าทำอะไรระพินเลยนะคะนึกว่าจะนอนแอบหนีมาคุยกับพวกลูกหาบก็ไม่รู้แล้วตัวเองก็ต้องปวดร้าวเองอนุชาพูดขึ้มๆแต่หาเสียงเวทนาปราณี น้องสาวสันหน้าไปมาเกรือกลิ่งอยู่ก็อกก็ก็น้อยนอนไม่หลับเ่ะน้อยนนอะไม่คิดไม่คิดว่าจะถูกถามด้วยความจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากพวกลูกหาบเฮ้อย่าร้องไห้แล้วก็อย่าอ่อนแออย่าวาดภาพอะไรก่อนที่มันจะมาถึงสิแล้วก็อย่าคิดอะไรที่ไม่เป็นไม่เป็นมงคลกับตัวเองด้วยน้อย พบกันกลางทางระพินอาจจะไม่ยอมกลับจริงๆก็ได้นะครับพี่ใหญ่ถ้างานของเขายังไม่สําเร็จอะ่ะก็บอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งคาดทะเนอะไรในสิ่งที่ทําให้ตัวเองไม่สบายใจแต่แต่น้อยรู้นิสัยระพินดีค่ะเท่าเท่ากับรู้นิสัยพี่กลางด้วยน้อยไม่ครุกไม่เคยกลัวอะไรเลยแต่แต่ครั้นี้น้อยกลัวจริงๆครับพี่กลางทําไม ป่อพี่จะข่าแฟนเธอะพี่กลางก็ทำได้แน่ๆล่ะ้ามันเกิดในกรณีที่ว่าน่ะอนุชาหัวเราะโเบา ล, ลูกบนศีรษะด้วยมืออันอ่อนโยนไม่หรอกพี่ก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละน้อยถึงยังไงพี่ก็ต้องหาทางเอาตัวระพิงกลับให้ได้และพี่ก็เชื่อด้วยว่าถ้าเขาเห็นน้อยเขาก็ต้องยอมกลับถู เมียนะ่าอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตออกมาตามแบบนี้แนละ้วยังไม่ยอมกลับอีกเขาก็ไม่ได้รักเมียของเขาเลยเฮย้ยน้อยไม่ได้เป็นเมียก็นะครับพี่กลางหล่อนร้องขึ้นเอาเธอเอาเธอเธอถึงที่แล้วมาจะอ้างว่าไม่ได้เป็นเมียแต่ต่อไปคข้างหน้าทาไม่ตายจากกันไปนซะก่อนก็ต้องเป็นเมียเขาอยู่วันยังค่ำนะ่ะพี่นะ่ะอาจจะงโง่กว่าพี่ใหญ่แต่ก็ไม่งโง่เกินไปนะักหน้อยนะักเตรียมพร้อมจะเป็นเมียเขาอยู่แล้ว ในการเดินทางในครั้งนี้หรือว่าจะปฏิเสธดารินนิ่งเอาแต่สะอื้นพี่ชายนำกอดเดินช้าๆฝ่าลมหนาวต่อไปอย่างปราศจากจุดหมายภายในอาณาบริเวณที่ตั้งแคมป์นำเสียงที่กล่าวต่อไปเป็นเสียงปลอบโยนอย่าคิดอะไรให้มากสิตามกันมาแบบนี้แล้วเอาตัวกลับไม่ได้กันมันรู้ไป พี่ก็เชื่อนะว่ารพินรักน้อยมากแล้วก็คงไม่รู้หรอกว่าน้อยกล้ามาตามเขาถ้ารู้พี่ว่าเขาก็คงหยุดรอหรือไม่ก็หนีกลับแน่ๆพี่กลางรู้จักจิตใจของรพินดีแล้วหรือคะสัจจะเป็นสิ่งที่เขายึดถือเหนือชีวิตสําหรับคนนี้นะคะพี่กลางทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นทั้งนั้นแหละน้อย สัจจะที่จะเดินทางไปกับแหม่มสาวสวยสองคนนั่นน่ะเหรอมันไร้สาระเกินไปกระพินกล้าเดินทางในครั้งนี้เป็นจิตใต้สำนึกที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวนั่นคือประชดตัวเองเพราะคิดว่าชาตินี้เขาคงไม่ได้มีชีวิตร่วมกันน้อยต่างหากนี่พี่เอาจิตวิทยาเข้ามาเป็นข้อวิเคราะห์นะถ้าจะถือสัจจะในข้อนั้นก็ไม่ถือสัจจะที่ให้ไว้แก่น้อยบ้างเหรอว่าทั้งเธอและเขาจะไม่มีวันพลากจากกัน แล้วเขาก็จากไปแบบนี้เนี่ยเขาก็เสียสัตย์จากไหมไอเรื่องหน้าที่หรือความสําคัญระดับชาตินะมันเป็นเพียงเขาอ้างเท่านั้นแหละเขายอมตายเพื่อสร้างมารดกกองโตไว้คุณแม่ของเขายอมตายเพื่อบีบคั้นทําลายจิตใจของน้อยในกรณีที่ทอดทิ้งเขาไปนานจนเขาไม่แน่ใจว่าน้อยจะยังมีเยื่อใยแท้จริงอยู่กับเขาหรือเปล่าตายเพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนหนึ่งระลึกถึงคุณงามความดีไว้ตลอดไป ฝ่งเอาการแก้แค้นที่เขาไม่รู้ตัวไว้ด้วยพี่กลางมีเหตุผลอะไรที่จะวินิจฉัยอย่างนี้เหรอคะก็มีสิก็จดหมายลายอย่างไงล่ะนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งพินัยกรรมทั้งหมดก็ฝากไว้กับพี่ใหญ่ด้วยเมื่อฝากไว้กับพี่ใหญ่เขาก็รู้ว่ามันจะต้องมาถึงเธอด้วยก็หนี่แหละที่ทําให้พี่วิเคราะห์ออกมาได้ในแบบนี้เพียงแต่ไม่อยากพูดแค่นั้นแหละแล้ว แล้วพี่ใหญ่ก็ชายันแหะคะ่ะวิเคราะห์เหมือนพี่กลางหรือเปล่าน้องสาวถามเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบพี่ไม่อาจรู้ได้นะเพราะพี่ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับสองคนนั่นเลยเขาก็ไม่เคยพูดอะไรกับพี่ส่วนพี่เองก็ไม่เคยคิดว่าจะพูดอะไรกันน้อยในเรื่องนี้เหมือนกันแค่บังเอิญแอบมาได้ยินอะไรเข้าคนืนนี้ก็เลยขอพูดเสียเลยพี่กลางคะ่ะ น้อยเคยคิดว่าพี่กลางน่ะเป็นคนที่มีเซ้น์หยาบที่สุดแต่แท้ที่จริงพี่กลางเป็นคนที่ละเอียดอ่อนที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันบางทีจะยิ่งกว่าน้อยซะอีกนะคะพี่น่ะไม่ค่อยจะเป็นคนชอบแสดงความคิดความเห็นหรือพูดมากอะไรกับใครหรอกนะและน้อยก็อาจจะไม่เข้าใจพี่พอพี่ใหญ่ก็ใช้ยันก็หลับสนิทไปแล้วเพราะไม่เฉลิวคิดอะไรเลยตอนเขาขอยานอนหลับน้อยพี่ก็เห็นได้ยิน แต่พี่ทําเป็นหลับจะรอดูสิว่าถ้าทุกคนหลับหมดแล้วน้อยจะเคลื่อนไหวทาอะไรบ้างพี่มันคนโง่แต่ก็บอกแล้วว่าแม้จะโง่ก็ไม่ถึงกับเ ง, ง่าเกินไปนะักดารินกราบลงกระอกแล้วกอดไว้น้อยกราบขอโทษพี่กลางคะ่ะบางทีปากน้อยก็พล่อยถ้าพี่กลางเป็นคนหยาบกระด้างไม่มีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนเลย พี่กลางจะเขียนบทกวีกินใจได้ถึงเพียงนั้นเฉลขะน้อยเองก็มองข้ามไปซะในข้อนี้น้อยเราทะเลาะขัดแย้งกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะแต่ก็ไม่เคยมีอะไรรุนแรงหรอกและพี่ก็รู้ว่าน้อยน่รักพี่ไม่งั้นก็คงจะไม่ลุ้นพี่ลุ้นพี่ใหญ่ออกป่าตามในครั้งนั้นดอกหนักนิดเบาหน่อยอะไรพี่ก็ไม่เคยถือ สำหรับน้องสาวคนเดียวแต่จใจพี่นุ่มนวลเหมือนพี่ใหญ่เขาเนาะมันไม่ได้หรอกมันคนละสไตล์กัน <Okay. S 1> อย่าร้องไห้สิกลับไปนอนกับพี่ดีกว่านะ่ะว่าแล้วคุณชายอนุชาก็ประคองน้องสาวให้บายหน้ากลับที่พักนอนแต่ดาริงหยุดยืนอยู่กับที่เดี๋ยวค่ะพี่กลางมีอะไรอีกอ่ะหราพี่จะฆ่ารบพินยังงั้นเหรอ ไม่กลัวหรอกค่ะม้ขยแค่อยากถามพี่กลางสักนิดว่าพี่กลางคิดว่ารพินเขาจะรักน้อยจริงไหมอนุชาแหงหน้ามองดูท้องฟ้าที่มีดาวอยู่เพียงดวงเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอถามดาวดู ก, ก่อนอาการสับพยอขจิตใจก็ก้มลงบอกว่าดาวไม่ตอบเพราะมันตอบไม่ได้ นั้นพี่ตอบเองแล้วกันรพินน่ะรักน้อยยิ่งกว่าชีวิตของเขาเสีอีกแต่เป็นรักอย่างสงบส ง, งีมิมเจียมตัวเจียมใจที่สุดพี่น่ะรู้มาตั้งนานแล้วก็พี่ไม่ได้เตือนน้อยเองหรอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวรอบโลกกันคราวนั้นให้น้อยชวนเข้าไปด้วยแต่น้อยกลับบอกว่าช่างปล่อยให้อยู่หนองน้ําแห้งนั่นก่อนเถอะไอเราน่ยมันคนชอบแกล้งเอาแงเอางอน ทำทีเป็นยิงไว้ตัวก็เขาอยู่เหมือนกันนี่นาดารินยิ้มออกมาได้โผเข้ากอดพี่ชายกลางแน่นแล้วจูบที่คางอันครึ้มไปด้วยคราวณดีใจจังที่ได้ยินพี่กลางพูดอย่างนี้ในคว่าพี่กลางจะไม่ยอมเชื่อซะอีกว่ารพินรักน้องสาวของพี่อย่างบริสุทธิ์ใจเขานําไม่ได้บุ่งหวังในฐานะอะไรของน้อยเลยจนนิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่เคยฉวยโอกาสแม้แต่ครั้งเดียว แม้ว่เราจะอยู่ด้วยกันสองต่อสองบ่อยครั้งที่สุดนับตั้งแต่ป่าเขาลำเนาถ้ำจนกระทั่งบนที่นอนที่น้อยไปแย่งที่นอนเขาจริงเหรอพี่ชายกลางย้ามาอีกจ้องหน้าสบานค่ะให้ตายดับไปต่อหน้าดวงดาวนั่นเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องนี้นะพูดไปใครก็ไม่เชื่อหร อ, อมไอ้ว่าที่น้องเขย อ, อย่างนี้มันหายาก สำคัญว่าหมอเนี่ยมันเป็นกระเทยหรือเปล่าบ้าพี่กลางนี่ผู้ไรก็ไม่รู้จะมาหลอกถามอะไรน้อยใช่ไหมล่ะน้องสาวยิ้มครึ่งบึง้งทุบอกเบาๆแล้วทั้งสองก็เดินจูงมือกันช้าๆกลับที่พักนอนนี่ว่าแต่พี่ถามปัญหาน้อยบ้างได้ไหมถามสิคะแต่อย่าถามว่าเป็นเมียหรือเปล่านะเพราะปฏิเสธมาหลายครั้ง แล้วก็เสียใจอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ถ้ายอมเป็นเมียเสในตอนนั้นก็คงไม่ต้องลำบากมาตามให้มันเหนื่อยากอย่างนี้หรอกค่ะก็ถ้าสมมุติว่าว่าเขามีความสัมพันธ์กับแหม่มคนใดคนหนึ่งนั่นน้อยก็รู้เข้าละ่ะทางกายไม่เป็นไรค่ะเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบีบบังคับแต่ขออย่าให้เป็นทางใจเลยแล้วเมื่อพบน้อยแล้ว ก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกดารินตอบโดยเร็วชนิดไม่ลังเลน่ใจถึงขนาดนั้นเเลือเราอ่ะโธ่พี่กลางผู้ชายทุกคนจะห้ามไปได้ยังไงคะในเรื่องแบบนี้อะพี่ชายตบหลังเบาๆน้ำใจนักกีฬาดีมากให้มันได้ยังงี้สิน้องพี่แต่พี่เชื่อนะว่ารพินคงไม่หรอกพี่สู่จากตัวน้อยเองก็น่าจะรู้แล้วเนี่ย ใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนใต้ผู้หญิงไม่ได้พี่ว่า น, น้อยเสร็จไปนานแล้วแหมอย่ามาพูดเข้าข้างเขาเพื่อกำลังใจน้อยเลยหน่อยเลยค่ะก่อนจะนอนหลับในแต่ละคืนก็ยังอดสะดุ้งไม่ได้แต่ก็พยายามทาใจให้กว้างขวางไว้ดารินวราฤทธ์เริ่มแจ่มใสขึ้นเดินคลอไปกับพี่ชายอันเป็นคู่อริมาจนถึงที่พักแล้วยึดเอาที่นอนระหว่างพี่ใหญ่ สีขวามือกับพี่ชายกลางอันถอยออกไปขนาบซ้ายดึงผ้าห่มไปให้เมื่อต่างสีสระถึงหมอนยางอนุชาก็บอกว่าอ่ะรับสัจจะกับพี่บ้างนะคืนนี้ไม่มีการลุกขึ้นมาจากที่นอนอีกแล้วหลังที่พี่หลับไปได้คะ่ะให้สัตว์คะ่ะถ้างั้นก็ขอว้เลี่ยมหนึ่งเม็ดแค่สองมิลก็พอ พี่จะหลับบ้างอะ่ะน้องสาวขมีขมันรีบจัดยาให้อนุชากลืนยาระงับประสาทแล้วหลับตาลงน้องสาวพลิกตะแคงกายเข้ากอดไว้จุบแก้มแล้วกระซิบที่ข้างหูเรียกพี่กลางคะ่ะอะไรอีกละ่ะยายนี่ว้าอย่าฆ่าระพินนะคะถ้าพบเขาแล้วเขาไม่ยอมกลับ พี่ชายกลางไม่ตอบแต่เอามือเขาสีสันเบาๆแล้วพริกตัวนอนตะแคงหันหลังให้เสียน้องสาวยังจุกจิกจุกจิกอยากจะให้หันมาคุยอะไรด้วยอีกเดี๋ยวทุบเดี๋ยวยิกบัตรนั่นเองอุ้งมือของพี่ชายใหญ่ที่นึกว่าหลับไปนานแล้วก็จับบีบมาที่ไลบอกเสียงต่ำๆว่าสวดมนต์ภาวนาแล้วก็หลับไปซะ อย่ายุกยิกยุกยิบให้มันมากนักเลยประสาทกินแล้วนะเรานะ่ะดารินใจหายว่าบนอนตัวแข็งไปในทันทีแทบไม่กล้ากระดุกกระดิก129คาขาดคำสั่งของอิซาเบลที่ตะโกนกล้องออกมาจากลำโพงของวิทยุมือถือที่ใช้ติดต่อกันคริสติน่าถลันเข้าซ้อนต้นช้อนต้นคอของระพินผู้อ้าปาก พัางนาทางงาังนาเหมือนจะตะกายหาอากาศหายใจแล้วอัดลมหายใจไว้เต็มปอดเป่าช้าๆแต่หนักแน่นลงไปในปากของเขาโดยจะรดปากของหล่อนแนบกับเขาขณะเดียวกันมืออีกข้างนึงก็ขยำนวดที่ซวงอกตำแหน่งหัวใจครู่เดียวเท่านั้นที่หล่อนกำลังชุลมุนปฐมพยาบาลฉุกเฉินคนเจ็บอยู่คณะพัดทั้งหมดก็แล่นกันลงมาทั้งขยง และมองเห็นสภาพท่ถนัดท่ามกลางความโผลเพศขมุกขมัวของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดเชิดบุตรานพื้นเมืองทั้งสี่และพวกลูกหาบทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าไปยังไงบ้างคริสติน่าเองก็บอกอะไรไม่ถูกเหมือนกันในขนาดนั้นพอเชิดบุตแบกท่อออกซิเจนมาถึงหล่อนก็หมุนเปิดวาล์ว และเอาหน้ากาครอบกับจมูกของคนป่วยทันทีอิสเบนนั้นคว้าชีพจรหมักก่อนอื่นร้องบอกเร็วปรื้ขอแรงหน่อยแบกเขาไปขึ้นไปที่แคมป์เร็ววุฒเอาถอออกซิเจนและหน้าก า, กาครอบไว้ด้วยขณะที่หามเขาขึ้นไปเพียงแค่ถับคำสั่งของหมอเบลเท่านั้นบุญคำเกิดเสยและจันสี่คนก็ตรงเขาหามหัวหามไท้ายเจ้านายฮิ้วลอยขึ้นมาทันที นำประคองลิ้วขึ้นไปโดยไม่ให้พวกลูกหาบคนใดแตะต้องส่วนเชิดบุตรก็สภายท่อออกซิเจนซึ่งยังมีหน้าก า, การครอบจมูกอยู่กึ่งวิ่งกึ่งเดินไปพร้อมๆกับพวกนั้นเหตุการณ์จ้าละวันชนิดเร่งด่วนเกิดขึ้นอีกครั้งไฟอเมริกันทั้งหมดหันขับไปทางคริสเปนตาเดียวหล่อนเองก็ทะลึ่งพรวดขึ้นยืนรายงานโดยเร็วคขลงไปแช่อยู่ในน้าซึ่งเย็นมากเอาน้ารถศีรษะด้วย พอขึ้นมาก็มีอาการมึนและมีตะคริวจับตามแขนขาหมดสติล้มลงไปนอนเกรงอยู่กับพื้นในขณะที่ฉันพยายามประคองไตทางขึ้นไปก็บอกแล้วไม่ควรปล่อยเขาลงมาอาบน้ำในขณะที่เพิ่งฟื้นไข้เลยเบลบ่นแซดสีหน้ามีแววกังวลหนักแล้วพยักษน์นายทุกคนกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามขึ้นไปทันทีตลอดเส้นทางสั้นๆ น, นั้นก็แอบกระซิบถามอะไรคริสตินาอยู่ซุบซิบซุบิ บนที่พักร่างอันไร้สติของพรานใหญ่ถูกวางราบลงกับพื้นอีกครั้งพวกลูกหาบที่เล่นตามขึ้นมาด้วยจัดที่สําหรับนอนพักของเขากันอย่างเร่งด่วนทั้งหมดเข้ามาล่ายล้อมโดยเฉพาะเบลพร้อมหูฟังคริสติน่าพร้อมเครื่องวัดความดันโดยช่วยกันอย่างฉับไวคนละด้านไม่ปล่อยให้เวลาช้าไปแม้แต่วินาทีเดียวสเตนลีทีส์และเชิร์ตบุตร ล้อมดูอยู่ใกล้ชิดพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้ทุกขณะสุดแต่แพทย์ประจำคณะจะสั่งการเช่นไรหน้ากากพลาสติกหรือฝาครอบออกซิเจนเชิดบุษยังถือประคองครอบไว้ที่ริมฝีปากและจมูกของระพินอยู่เช่นนั้นอาจารย์คะขอเซลาย5 0 0ซีซีและบอกให้พวกนี้ตัดไม้ปักทำเสาเดี๋ยวนี้คะ่ะหมอเบนสะบัดผมเงยหน้าขึ้นหลังจากหูฟังหัวใจ พร้อมกับพูดแถวต่ำแต่เร็วที่สุดหัวหน้นาคณะเพนเข้าไปที่หีดด้บเชพันซึ่งเตรียมพร้อมไว้แล้วทันทีหิวมาส่งให้เบียนหันไปทางคริสซึ่งสั่งติดต่อกันโดยไม่ยอมสีเวลาว่าคริสแคลเซียมคลูกโกเนต1 0ซีเอาทางแขนขวาด้านเธอนั่นแหละเดินตัวยาช้าๆนะพยายามให้ช้าที่สุดระวังชอ็อ คริสติน่าซึ่งความจริงก็คือแพทย์เช่นเดียวกันแต่ชอบฆ่ามากกว่าชอบรักษาจนถูกยึดใบประกอบโรคสิลป์หันขวับเข้าหาเครื่องมือแพทย์จันก็เกิดรู้จักวิธีใช้น้ำเกลืออยู่แล้วกระโดดไปตัดกิ่งไม้มีง่ามพอสำหรับจะแขวนถุงน้ำเกลือสำเร็จรูปได้ปักหลงใกล้ๆแล้วก่อนที่เบนกับคริสติน่าจะทิ่มเข็มลงไปยังแขนทั้งสองด้านของระพินนั่นเองบุญคาก็บอกว่า เดี๋ยวเดวเดยวแมมให้บุญคําเปิดทางไห้ซะก่อนตอนนี้นายไม่ได้สติบอกอะไรคงไม่รู้เรื่องหรอกแต่บุญคํารู้วิธีคืนไม่เปิดทางประเดี๋ยวเข็มขีดยาหักอีกหรอกคริสติน่ากะเบนกําลังเจ็ะจิ้มเข้าหาเส้นเลือดถือเข็มช ง, งักกันอยู่ชั่วขณะแต่พรามเท้าสมุนขวาโดดไปอยู่ทางด้านปลายเท้าของเจ้านายซึ่งบัดนี้นอนตัวแข็งกายเย็นราวกระสพ แขนขาเกิดอาการเกร็งไปหมดแล้วแกก็ลงนั่งขัดสมาติพนมมือขึ้นเสกเปล่าอะไรอยู่ชั่วอึดใจก็รูปเข่าของระพินช้าช้าสะบัดมือออกทางปลายเท้าโดยทำซ้ำๆกันเช่นนั้นครบสามครั้งแล้วพยักหน้าบอกว่าอ่ะทถิมเข็มได้แล้วแมมทั้งเบลและคริสติน่าควานหาเส้นเลือดที่เห็นเด่นชัดที่สุดของแขนคนละด้านพร้อมกัน คนหนึ่งเสือกเข็มน้ําเกลือที่แขวนเรียบร้อยแล้วเข้าไปทันทีสแตนลีย์กระโดดเข้าไปปรับระดับการหยดของน้ําเกลือให้ได้ขนาดกําลังพอดีส่วนคริสติน่าเดินตัวยาแคลเซียมเข้าเส้นเลือดช้าๆโดยมีเบร์และทุกสายตาจับจ้องอยู่ทุกขณะหลอนฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างแผ่วเบาและเช่มช้าโดยฝีมืออัชนชํานาญดีอยู่ก่อนแล้วกว่าจะหมดก็หลายอึดใจ เสร็จแล้วถอดเข็มออกขยี้ด้วยสำลีชุบแอลกอกฮอล์ขีกระเชิดวุฒช่วยกันคลี่ผ้าหม่มพื้นใหญ่คลุมให้อย่างมิดชิดจากปลายเท้าจรดหน้าอกสยกับพวกลูกหาบก่อกองไฟรอบด้านให้ลุกโชนขึ้นมาอีกและระวังทิศทางควันกระเปลวไฟไม่ให้แลกเลียเข้ามากระทบร่างกายคนเจ็บทุกคนดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดหมดสิน้นนอกจากพวงล้อมอยู่ที่คนเจ็บ อ, อาการของเขาครั้งนี้ผิดแพกไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นเสร็จสิ้นจากการช่วยเหลือในชั้นแรกเบลถอนหายใจเฮือกจ้องหน้าอันซีดเซียวของคนเจ็บขมิงเขาเป็นอะไรขึ้นมาอย่างกร ะ, กร ะ, ท, กระทันหันนี่เบลเท่าที่ตัวดัวตาคิดกระเชิดวูดถามขึ้นเกือบจะพร้อมกันอิสกิเมียในประวัติของเขาไม่เคยบ่งบอกถึงอาการชนิดนี้มาก่อน เดี๋ยวอิสเมียนั้นมันหมายความว่าไงเชิดวุฒถามละล่าละ ล, ะละักก็เส้นเลือดตีเปียงกระทันหันเฉพาะแห่งชั่วขณะเลือดไม่พอส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองแล้วก็เกิดอาการตะคริวจับตามแขนขานี่คืออาการใหม่ของเขาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างที่ฉันบอกแล้วว่ามันอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาอย่างชนิดที่เราไม่รู้ก็ได้โชคดีมากนะที่คริสไหวทัน แล้วเราก็ลงมือช่วยในทันทีหนักมากไม่เนี่ยนายทหารหนุ่มถามแทบไม่หายใจต่อไปเบลเมมริมฝีปากยังไม่ตอบคำที่ประจรอยู่ตลอดเวลาต่อมาจึงตอบไม่ตรงคำถามนักว่าอีกสักครู่อาจจะดีขึ้นนะในด้านตะคริวเพราะคริสให้แคลเซียมช่วยแล้วแต่จะรู้สึกตัวได้สติเมื่อไหร่ก็ต้องคอยดูกันก่อนละ ร่วงหัวใจอย่างเนี้ยสตตลีถามเสียงขรึมเต็มไปด้วยความกังวลก็ไม่เชิงนะคะแต่มันคล้ายๆทำานอนนั้นเหมือนกันภาวนาขอให้เป็นอาการที่เกิดขึ้นฉาบฉวยเฉพาะครั้งเถอะอย่าให้เกิดขึ้นบ่อยจะดีที่สุดถ้ามิฉะนั้นแทนที่จะเป็นมกคุเทศนำทางเราต่อไปเขาจะต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีหมอเบลพูดเบาๆ แล้วหันไปสอบซักถามพรานคู่ใจทั้งสี่ของรพิน